ซาก็เป็นปัจจัยอะไรน่นอะไระไรนั่นก็ไม่เที่ยงเรา่นม่เที่ยงเ้ยอะไรชาติธรรมชาติอะไรก็ไมเียงเราจะ หนึ่งเป็นอะไรสักแบบไหนคำตอบของเศรตวเองที่นั่เองได้เป็นไรหัวใจของเราลึกๆตัเองที่มันเกิดขึ้ัราหรือมกระงมิจาตัดเอาจนธรรมตาอย่างจริงจังมุทะยามังสพันพันไมรมมันติ อาวเจ้าแสดงธรรมไจักโอนกันญาสร้างสรรค์รูปธรรนพลานเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึเป็นจัมราสะงนั้นก็ต้องอกลับกลับไปเป็นรัตตาแห่งกต่ายเชลยได้ชเลดชเลยหนึ่งชีวิตขึ้นมาว่าหนแล้วแน่แล้ว ทำให้เต็มไปเลยแล้วในโหสถ้อมทั้งสมมาภาพามเถืาและมนุษย์เสื่จริงจริงอย่างนี้อันนี้ที่เราทุกคนมัน ทำให้เกิดกุศลและทำให้เกิดอกุศลอกุศลคอวันม no ืองกลางสายับทเมื่ออกุศลคือวันสว่างมันมา้งขึ้นมาหนานงแสงเดือดแสงจีบระงมากกับปัโงอาทิตย์ รู้เห็นตามความสนใจในอดีตในอดีตส์่มีผลยัดสมาการสูงดังนี้ทำได้แล้วลูกสงหรณรูดด้ได้แล้วรู้แล้วอยู่แต่เจอทุกจอมให้ละแล้วละได้แล้ว ที่จับชุกได้สิ้นเชิงทำไม่แจ้งแล้วแจ้งได้แล้วอ่านได้ว่าควาเชิดควจริงมีอยู่ในกายในใจเรานี่ทดลองว่าจะหาของมชิดควาจริงขึ้นมาเจอกับการกับใจเรานี่ เหมือนกันทุกคนว่าตัวนี้จะตื่นเหมือนกับตาทางน้าทูลกับลูกสาวจะ้องเงินเงินที่นั่งเที่ยงคืนจะปล่อยก็เสียยาเว่าเงินไดที่ยงคืนจะปล่อก็เสียแล้วาลงที่ผมเลือกตัวผมก็จบ ถ้ไม่ลงตรงความรู mais ้ตัวจบไม่เสร็จลองลงก็ลงจนตายลองจุกก็จุกจนตายถ้าลงแล้วจนลงทุกแล้วจนทุกอะไรเนไปตามที่มันไม่เห็นไม่สนใจไม่ไม่เชื่อที่นห็นมันก็ไป ก็พิจารวิวตา้าหลงส่นลู่เข้จบ้าหลงด้วยความลู่จิตัวมันจบตรงนี้จบตรงนี้ทำ้ทุกคนโดย่ความแข็งแรงขนาดแงสง่จสงูจตัว ไปให้ความสแสงเหล่า้็ความรู้ควอกรรมฐานภาวาอันรู้ว่นานู้ไ า, าไว้ว่ า, าวายันรู้ก็ความรู้จช่ความรู้ถ้าจงจิมันเย ในความรู้สึกตัวถ้าหรือความร้สึกตัวต้ช้สิ่งไปกับสที่นั้นแขกกับตายกับเกลียวสัวร์กับเจิมแสงถ้าวิ่ง็วิ่งถ่งมากมาเตี้มากเตี้ยมากเพราะมันมีรู้จำสิ่งมีความรู้มากความหลงมีเท่าไหร่ความรู้มีเท่านั้น หลงหนึ่งครั้งกระลู่หนึ่งคั้งมันได้สองลู่จาของหลงทุกหนึ่งครั้งกระลู้หนึ่งครั้งได้สองลู่จาของทุกมันโกรธหนึ่งกันรู้หนึ่งครั้งจาสองูจาองโมันเจ็หนึ่งครั้งกรู้หนึ่งครั้งมันง่วงหนึ่งครั้งกรู้นครั้งเราเชื่อเหมือนกันจะไปจเจีทุกอย่างจามไปตน้นลูนั้นตันัน ที่สสิพวกรวมสิ่ง ท, ที่มันเกิบฟ้าดมาเกิแล้วมาทั้งหมดจนสมเสีงมานพวกควมัารเกิดการเกิดการเสือการตายสมัยปลายทางจบก็จบที่ตรงนั้นลเลนต้นจากที่เราภาวนานี่ประเดินทางมา ตายแ้วก็ว่าได้ไปท า, า, า, า, านจะ อ, อะไราที่ม่ใส่ใจกับใจไทานมาเ็นรูอว่าานอะไรสจกับยังไม่านมาวรู่านตรงไห น, นที่เ่าางก็เิานลาแล้วเอาบ้านนั่นไว้หลังอาบ้านนีไว้หลัง ก็รู้สิบวันมันผ่านไปจรจริงทิศหนาไม่เตะทิดหนาไม่เห็นแล้วทิศหนาข น, นุนน่นแล้วมันเป็นไปเนาะทีสแล้วพอย่างไรก็ไม่เคลื่นเราจะให้เปนเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได จะให้สุขมันก็สุขจะให้ทุกข์มันก็ทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่ถูกต้องมันผ่านมาแล้วมาถึงความปแล้วมาหลับใจความสุขมาหลับความทุกข์แล้วมาหลับใจความรักความช่งความโกรธโลกตหาไม่รับใช้มันแล้วมันก็ผ่านมาาผ่านมาแล้วก็มีการกดการมีการสมั กับชีวิตจริงๆด้วยสิทมันอดภัอย่างไริัติธรรมก็เป็นเช่น น, น, นั้นดวยหวานสีนิพนธเรกับกากับใจ ร, รามากมายนี่ลูกต่างๆจงเวเปิดควาจริงเชื่อไหนอย่างไร นีงคืองของพวกเรางานของมนุษย์แว่งานของคนหลงเวรหลงทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ตอนนั้นเรียกว่านวนนี่แล้วเป็มอย่างนั้นมาเรียนว่าตายเสกเรื่องเก่าก็หลงอีกทเรื่องเก่าก็ทุกเรองเก็ครบคร้ากกวเก่าหมือนเดิมพ่อาหมู หลงลอยลยหลายอาศงขยหลงไปเป็นติดพ่อขางหมูทุกหลางขายทุกกรหเดินข้อขาหมูมากเกินนาดท่าเสียงสาระหนัอยุย่าในเรื่องเกิดกับกาก่อใจเลย ออกใามันเปนเรื่องยากออกใจมัเป็นเรื่องยากต้ อ, อ, กไปไปปกองให้เรยอยืองจเขาให้เรื่องใจเรื่องใจต่อรองกับสิงครนอกเดี่ยวข้างกับสิงครนอก็ยิ่งเติบใหญ่ปูพันไปเติบใหญ่โอ้ไญญ อ, อ้ไนายมัน <c oughs> เดี๋ยวข้างกับสิงครนอกไม่เติ การเคลื่อนยนต์เราเนี่ยเราเกี่ยวกล้องเหมือนถึงทานอกเซนทางในเซนแล้วก็จบการที่ปฏิวัติเม่อสิบเด็กกับเด็หล่านี้คือต ไม่มีสติของการสังรวมตามหูจหมูกเล่นกายใจเกิดขึ้นใจกายใจหูใช้จมูกใช้เลี้ยงใช้กายใช้ใจเราไม่มีสติตาหูจหมูกเ่นกายใจก็ใชเร า, าแต่มันใช่เรนเป็นใช่อ่ทีนี่มันเกิดอะไรมา เราจะมาในสติตึงเศร้าของกาตปงเศร้าของใจยึดอรรมฐานวิชารมฐานในตนวิชาใช้สติเรื่องการร่ใจห้ในทุกรูปแต่ใชสติในทุกรูปแส่วนตัวส่วนตัว ไม่ต้องขออนุญาตศาลเท่ า, าได้จนที่จะืิดตามมีตัวหนังสือเสน็จสิทธิที่สองตนสองสนมนเรำมีบัดทรทงรักษาสุขภาพอรุจัดใช้สิทธิของการใช้บัดทรทองแค่ไหนเดียงนานและได้ประโยชนเรื่องสุขภาพ กลัวแค่นั่นเองอว่าอันอื่นยังมีอยู่แต่ถ้าเรามีสติมันครบของจรนอย่งสติของการช่วยการช่วยจายแรแล้วที่ใจจะฟาดจะเจริญเป็นเจ้าของแล้วปัดเมื่อมีสติเป็นเจ้าของแล้ว ส้าตัวเป็นเจ้าของใจกายจเท้าของสัวใจจ้มีอาวุธเัืงมือมีทัเเงมือมีสิมีสิ่งะที่มีสัญญาแหงกลับนครเมืองที่มีกำแพงมีประตูมียามแน่นหนาปตูเข้ามาไม่ได้ ถ้ามีสติถ้ม mm ีส hmm. ีม <ka> ีสมาธิมีปัญญาปัญญามีแน mm. ่นหนาที่จะไมจดจูข้อจุดผานเว้าเป็นผู้ชนะให้มีข้าเฉกที่ว่าอาวยาอุกรข้อจุที่เกิดเกิตาเกิดใจไม่มี นี้พายว่าอาศัยได้กันได้อาศัยอาญาเป็นพายอาศนันท์อาศัยอาเป็นพายที่มนุษย์มีสิ่งมันทุกคนเหมือนกัหมดสมอเนกันหมดทุกคนก็ีสิส่งเสมอเหมืนกันนคนคนเดียวกั น, นคนคนเดียวกัน รักความชั่วทั้งคนดีเหมันกันมีสมติเหมืนกันแต่เหมอพลาดอันนดีมันลาบคนเหมือนกันหมดก็จำ อ, อย่านั้นจริงๆเพ่อนเราอยู่นี่ตลาดชีวิตทั้งว่าทั้งโยมกันหายวิยู่ที่นี่กามิตตีก็เป็นคนคนเดียวกัน ฆ่าชั้นวันหน้าเทือกไหลรัลตินิ迦อะไรทั้งสิ้นนี่สติอยัางเดียวกันหมดถ้าไม่มีสติก็เนคนหลายคนไปแต่ตัวเราก็มีคนไม่ของหลายอย่างที่มาแย่งไปถ้าไม่มีสติแต่ตัวเราก็ติดหนึ่งเราเรามมีออื่นที่มาช่วยการช่วยใอยื่มากมาย ถ้าในจิตีก็เป็นอันเดียวกันหมดนี่เป็นอสองขยันสิกจันทำที่เป็นหนึ่งเราพยายามใช้ควมเป็นหนึ่งของชีวิตให้ได้คือจิตติเองเลยเป็นผั้ขาดเป็นลาวนาายย้าขยันลู้ความรู้เนี่ยถ้ามันมีแล้วมันก็ไม่ต้องข ย, ยันมันใช่ใช่เลย มันเราเงินไม่ตรงไม่ใช่เลยหาตลอดค้นตลอดถ้าถึงยามใช่ก็ใช้เข้าไหร่โดยสปตางประเทศกับคนบางคนบอพูดว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เท่าที่หาได้ใช่เฉล่ยก็ไม่ไม่หมดหลไม่หมดอ ทุกนี่ชาตนี้มีตู้เป็นหลังก็ใช่แค่ไหนก็ไม่หมดหรอกตวันนี้แล้วรับไปไหนก็ยิ่ง เ, เกรไเทยา น, นั้นเองงจะให้มันพาดระชาธิตของเราเนเทศกาลนี่โดยตรง โอกาสก็มีแล้วแข่งขันยันซะหน่อยอย่าตำหนิอย่าห่วงโน่นห่วงนี่ถ้าไม่หัดจนสอนจนจบไฟใจ่นื้อถ้าห่งกันจนรนี่นคนเจอคนเข้าจ่ปูกู้อะไรกนี้่านไม่ได้ มือก็ว่า จ, จับอะไรมาก็มาเชี่ยวไว้เดินหรือวันไหนลินตามฝ่าดินอย่น้องมัวแดง น, นี่ก็มีคนเจอคนหนึง่งสะสมสามปีที่อยู่วนท่เร า, าไปวานเนะี้นนอนอยู่บ้านแต่ว่าพูจะไปบ้านกูจะไปบ้าน ตู้จะเปิดานอาเผื่อเวลาเราจะเดไเลยูแลกันเตือเรียนกันดูแลลูกเมืออยู่แลยุลย้อนีเผื่อจ e เดินไปเข้าาบเดินเข้าาไปีวันหนึ่งเข้ า, าเดินอดู พูดจะเลยว่าเสื้อชั้นบางยังหลังแจ้งขาสั้นแล้วขวาให้เต้นเดิสามทางไโน้นไปนั่นไปน้นเน่ยนะเดินตัว่งนู่นอ้ยยาโน่นนะลูกชายก็ี่รถมอเอรตามทาเดิไปเดินว้เหื่อยเสื้อผ้าเสื้อเือ้าตาเดนไป เกิดหมายไกลต่างลูกยายเราเราก็แล้วเป็นรถเดินรางไปเป็นต้องหมาไกเลยชวงไทกลับมาบ้านวันหนึ่งก็มาหาหลวงาธิวัตรผู้หัต่องขันทารคนนั่งอยู่ใช้กำลังก็มืหลงจ๋าสัตว์สาไปแล้วก็เห็นลูกที่ติดอยู่าที่ตั้งอยู่ฝาเข้าไปสา อาสาตู้กันแล้วก็บนหัวโอจับน้องข้อล็อกกันนะครับล็อกกันเหมือนที่จับน้องกันไปนิสจากันแล้วไม่ไม่สั่งเราเลยไปแล้วไปนิสากแล้วอันนั้นเราหน้งอยู่นอะันนี้นมามาม า, มาหาเรามาหาน้อง้ไว้จับมานั่งกออ ผมก็หลงคร อ, อ, อเลยจะสอนันแบนีพรยันไม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปหวาดเส้นก็แต่จะไปูไปดชวอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วก็จะไปไอยู่ไป่่นนไปกับคอนแตไปดีอยู่เฉยๆไม่ค่อยมีจังเด็นไหนไั่นั่อ้ไม่ได้ัดเลย หลายครั้งที่ที่ที่เรื่องนี้ที่หลงเลยเนี่ยอันโก้ฟันนั่นชิดปาลา ย, ล ช, า ย, ย, ย, าายชิบัานนั้ก็โกรธฉันตายทุกหลงฉันสายนะอ้ยเจ๋งดายเจ้านี่เรามาเพือเนี่ยเราหลงได้ประโยชน์ไปไหนชิดถนดัดตู้แทนที่ไม่ใช่สอนเกียวตอเอ แคไมาสวนมันก็ใส่กายมันมันเป็นทุกข์เป็นโทษโวยงแล้วไม่ขอคนอื่นอีกไอนี่ลงไปวานโรคประสาทรักษาคนเน่ไม่มีนไม่มีที่อยู่เลยเต็ม ไ, ไปหมดเลยไปฟ้าที่ฉันอยา ไปไปดูโลกไปฟัโลกไปศึกษาสืาา่อนิยามันไม่ดีอาจาย์นิยารักต้องั น, นัาอยาเปไปสอนนะไอนาน า, นนาักโอ้คนเราทำไมเป็นนีน ไม่ไม่สอนถึงโดยโอกาสสิแล้วดิฉันเลย ไ, ไม่น่าจะชนทำไาสิสิจ๋าเสดสิจทำไมจะเป็นบ้ากันกันไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สอนมันบ้าจริงๆนะผู้ที่ชนมนเหมือนคนบ้าจะเร้าวา่าใจเมื่้าตาบ้าหูบ้าจมูกเนีายงไตุชน การเกิดโลคภัยให้เกบ้าที่ทนถึงทโทษต่อตัวเองและคนอื่นแต่นี่ก็เป็นบ้ากันทุกเทศไม่ปลอดภัยเพาคนบ้ามากที่สุดสมัยทุกวันนี้ที่นี่กระจุกคนบ้าอ้นาจี คนต้าสองสองคนอยู่นี่ในตอนอนี้วนี่อะไตำรวจกับสายเจ้าก่อนเราดูเลต่อไปหาหมอไม่ท็ไม่ไหวรักษาเสร็จก่อนสามารถก็ไม่หวเลยหมอหมองตำรวจต่อไปไม่รู้ไปไหนกันอันตรีบาัพสมบัติ ใ่คนบ้านน้องกานี่ยที่เกย์ทสาวอยู่บ้านไม่ได้บ้าหัวใจ ส, สมบัติเขาลูกเขาเข้มบ้านไล่เข า, า, าเขาทลาก็ไล่เขาจะทำนาก็ไล่วันนาของเขาบ้านของเข า, า, ข อ, เขาอะไรของเขาที่เกย์ทีสาวไม่อยู่เป็นศูกข์ตัวน้องกาไ ล, ล่บ้า มาาเอาทับต้นแบบของเขาพอทีเ่เธอเขเอาต้นรวมต บ, บไปเซงอยู่เซงหนึ่งไอ้ท่กข์ไปไหนกันเนี่ยไอ้เงินเ่งเงินนันนั่นคนะเร า, าไม่นเงินบ้าุกก็มีบ้ามีก็มีบ้าคนาตรมีมีใคราตกเนบ้าเพราะคา เพื่อโลกถ้าเราไม่รูเรื่องชีวิตขอเราเนี่ยเราเกิดในพุทธศาสน า, นสามีคำสอ น, นสมีคำสอนมีศัพท์ศัพท์ข้อคำมีคำสอนได้อายได้ิได้อาัยคุณนอยู่ร เ, ย เ, เ, ยเราสวดจำไว้จับนี่หลัอสนเร่งของเราในปัจจุันี่เท้แท ไปล่าสมัยเลยอยาให้เป็นเทวทัตของกันศัตรูกับศัตรูขป้จนในจุดเป็นตุกอยู่ข้างๆเชตวันนั้นเชไปดูตัที่เป็นตุกเทวทัตในวัด ทิศเหนือเช่นนั้นเช่นเือการเช่นหลังคาเช่นดาดฟ้าเขาดูหลวมอยูนนยอยอ่นั่นเลยว่าคนข้าวจชาวตาวันต้มเยงแต่ว่าเปนเรื่องของเซลล ท, ที่ตรงนี้ยังมาให้เราได้ไดิเนอยู่ที่กวันนี้คนชั่วคนขวงก เกิดในชาวยาพุทธาป็นนักปวดเอาปวดด้วยเขาอานเอ่านนนอ่านุดอุบาลีโอเครนข้างอุบาลีเิ อ, น, อนุดาเฮอนนนเฮ้เวทวตผลังออกปวดใช่ไหนั้นสนมากเป็นเจ้าป้าชายเป็นสุสนขชนก็อุบาลีรูปแตงช่างตัดผม การออกัวดันนี้สวาชเปนปัะตกันเลยกัพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชนเลยเลยปุบวาลีอานนอาุกมได้สันพึ่หันหมดแล้วก็มีนายุคเขาพระพุทธเจ้าไม่คำคำ แล้วจะมีการที่เจอมาต่ออู่มาจุมเอาคำสอนจะไปจุ่มเอาความดีอะไรใส่ของเราเนี่ยมาจุ่มเอาพระธรรมความถูกต้องในคำวัดสอนวิธีปฏิัติใหนงท่านใครเลยติที่น้อยเพ่อน เอาใช้กายาให้มีสติยกมือขึ้นดูสุดตัวทำตีตัดจับตัง้งีหายใจเข้าก็รู้สึกตัวได้หรือว่าไม่คิดไปตั้งเห็นก็ลู่สุดตัวได้ไดหรือวันัสสาก็รู้สึกตัวได้ไปปงด่วงหงนอนก็รู้สึกตัวได้สอันนี้นอยอนจนต้องขอญาตย วัดธรรมวังไงผ่สมสมศัดิ์ใเลยสมุทรเกวียอย่าให้พลาดใอา น, นิสังวรสุขสันต์ถึการจังหวดบัญญัติไม่ใช่ของจริงสมมติบัญญัดปรมาจารย์ที่ในตัวของเราจริงเขกโอหกมาไม่ใช่สริงเกวียนเรื่อกับตัวเราแล้ว เป็นสมบัติของเราทั้งสนจอมนี่ส่วนอาทำไม่ใช่สมบัติของเราของโลกของป๋อขงหลงทุกไม่ใช่ไม่ใช่เราเลยเราเป็นอาแค่คนอาโชคชีวิตในความรูจากความนี้ไปเกี่ยว้องกับทุกสิุกอย่างไปจนแล้คจแ ไนกับพระพุทธาว่าผมชาตกจบแล้วชาติทีเ่กเกิด น, น่นแต่นี่ไม่มีแล้วเลยหลงมไม่ใช่ไม่หลงตอนหลงก็เลยเป็นรู้ไม่ใช่ตอนหลงหมดไปถ้าไม่รู้ก็รู้เป็นรู้นะรู้ก็หมดไปถ้ารู้กันู้มันไม่หมดเลยงเป็นหลงองไม่หมด มาลงทุ่มความรู้จักตัวมาลงทุ่มความรู้จักตัวนี่อะไรแต่เช่นภาษาจะใช้มาลงทุ่มคามรู้จักตัวนีหากจอาศอากดึงง่ายๆับมาง่ายๆก้ช น, นาญแล้วไม่ต้องไม่ต้องามาประกอบในตัวมันเองในตัวมันเอง ถึงก็ตัดเนือตัดไปแล้วตอนนั้นไม่หนีก็ม่เหนื่อยเลยกับมันเลยแล้วไปทำไมเกิดข้าวปแต่นี่จะาไม่หย่อนคล้อยติดต้งนความต้องมันก็ไปไกล อารมณ์ชอบเรียควาบเรียนควาเยคเดอบยกคกคพารัของเศราียกคมไม่จะหววมไม่รศาสนาเดไม่นั่นนั่เรนทุกรู้อยู่นะว่าไม่เป็นอย่างนั้นรไม่รู้นะถ้ามันมีาปัต เราสิ่งที่มันสสิ่งนี้เป็นิ่งท่ล่เพราะมันไม่เชื่อที่จะเป็นทุ ก, ทกว่เนทุกอย่างนั้นมันสิบมาหลายอย่างแล้วไม่มีสติตทไม่มันมไม่ไไมีสติเพรา ะ, ะไม่ได้หัดทำไมไม่ฝืนหัดเพไม่ใส่ใจไม่สระกอบนะไม่ได้ปรอบเพาไม่ได้กะทำมันอยู่ที่การไม่ได้กระทไม่มีกรรมไม่ได้ ม, มีกรรมมันนี่ขึ้นมา เราจะมาทำมันเองการทำมันไม่มันสน่าใจเลยไม่ต้องจะ้ามันทำสนั่นหน้าใจเองผูเรียนทำผู้วันเห็นปฏสมบาทผูเนปฏิจสมปบนนเนทำผเรีนท้นช่วยพ่อที่เจ้าที่ปฏิบัติธรรเนย ก็จึงมาทำกรรมนี่หรือว่ากรรมฐานคืตั้งของกรรมกระทำอาจจะสะอ้อนวอนไม่ใช่ปรานาอจเป็นเจ้าเหนือเจ้นให้มาทำลงไปสัมผัลงไปมือสายก็มีสติดูเลยมืสายก็มีสติดูเลยแล้ก็ไม่มากให้เราวิจยที่เราจะดูแลตัวเราพุ่มได้ นิจายนิจายในสองอย่างตกงนี้มีสตอ่ะเพารว่าของตายของใจได้ถ้าของตายของใจได้ของงานของใจได้ของคนได้ของสินของทำได้นั่นคจะสตนะถ้าไม่มีสติของตัวเไม่ได้ ท้องคนเดินก็นไม่ได้ท้องงานก็นไม่ได้ท้องถึงท้องทำไม่ได้อรทำน้ำกระชนเจ้าของดข อ, งง อ, าาองงดองอแล้วได้ท้องทอาทำหม้อท้องเราตกอาทำข้องเราบันไปเป็นว่าตื้อถอนปฏิวัติเต้ กลับไปบ้านก้อยู่ทไหนกจอเากบกอยู่ทีนี่ประทศไทยวนแับไทยว่าจงแบบไทยก็พัฒนาททยไทยที่เป็นนองตัวเล็กซึ่าใชกัน้เราควรเลือกตามควาทอย่างให้เราดูด้วยความ่อมั่ ให้มีโอกาสเกิ่ด้วยการทุกข์งจะถั่วพอสมควรเพื่อให้ได้โอกาสปฏิบัติการใกล้รลายเป็นประโยชน์ตะ ว, วันเท่าตะ ว, วันเยนทำทังให้เด่นจังทรอดแต่เพ้นเอาแสนซุนไปปูไว้กตัก็ได้อกัก ตื่นกมีบ้างเรียนขอนงเราียนหน้าใหม่ใช่้าสงสารเสียต้งแจ้ง น, น้ำนาสงสารมากแจ้งตกน้ำอาสีพทุกมาต้องวันทั้งนเพื่อให้เราได้ใช้อาชีพคนก่ ต้อมั่นคง้ยหลางด้ยหลางว่าจะฟังคปใบ้สักทีนะเดนกันหนักกับปฏิบัติธรมไ่จะทำข้าวเปล่าเปื่อยเหลาใสย่อยอะไรตวนทำาช้าแน่ สันเด่นเอกระยสะานานได้ฟังเส้นฟังคำรักกายอยู่เสมอแต่ว่าหลังนี่ทำใจเช้าขาใจเปื่อนหักอนะเหนื่อยหลางไม่เขาย่อยยังไงนาย้ทเข้าเหนื่อยทไมันไดเอาเป็นก็ตั้งใจววนให้มันตรงจอขาเปื่อนนี่เะตื่นต้องารับฝันจบนับี วันตรองต้ต้องหาต้องหวนลุกขึ้นสู่ที่เดียวสู่ที่อุกเดชไแต่ความใสใจในกานให้ความสาวพื้นวันทั้งสายทั้งทำงานวันส่งีเดียววันทุกข้องสาวพื้นต้นใหญ่ับเนที่เดียวจับเปที่เดียวอุเแต่ความจำเป็นที่เดียวอุกเดชนะไหามาใสใส่โตใส่โตตัดที่ ก็ไม pues ja, ่มาคิดกันก็ไม่มาคิดกันไม่ได้มาจะคิดมาไม่ได้ไม่ได้มาเลยเงินเขาไม่มาฝากก็ไม่มาฝากไม่อยากจะจ่ายไม่จวันไหนเงินก ่าให้คนมาเรียตัวเพื่อจะได้เรีน ส, สังฆะพเนยยกเงนอนที่กองนี่ก็ยังมีนะอยู่ประเทศจ ส, สังฆะนยโอกที่หกที่วหลานเป็นะไรโวยที่เราทำทุกทุกทารไว้อาจารย์นัดกอ า, อ า, า, าอาจารย์ zoom าจารย์ต้องหิ ง, งไปดู เราลอว้หลังหลังจากมีรูปที่วัดที่แต่บรรลุที่บรรลธรรมอยู่ที่ไหมีเส้นผมมีขผมอยที่ไหนยหลังยังนี่ห ล, งหลังไมรูปอยู่อาภรรยสองันเรายังไม่เน่านั่งสสกันมาธิอยู่ดูได้ไว้หล ผมจ้าง่งางโจ้ต่อให้เขาดูมาแล้ไปไม่ใละสเกตยศคุณสังข้าวพาเฟนฉันที่คุที่อยู่ใกล้ใกล้ฉันก็ยังจำยศของคุณมาได้ l ังเลยไม่ได้เข้ามาแต่นนอะไก่อนคุณที่ไม่ใช่ ันเลูกศิษยต้นๆเข1 ม, ม, ม, มสร ว, ว่าจะมาอยากให้มันเ้าหั ว, มมวเขีนี่หน้าเอกสารของมัมมมมนอ ย, ย, ยมม่างกันนั่นแล้วมันมีลูกศิษนใดมาเขียนมาขียนตวนันมันคือกาี เสร็จที่หม g e ะเช่ไม่มีคนใดมาจัดวันที่หนึ่งวันที่สองสามสี่หอให้ใครมาจัดทำไมเนี่ยถึงวันที่หกสิบวัยร e ่นขอหยิบสอบเพอนร่วมชอบไปท้วยไม่้องเสียเงนอะไรโสดเศษคนด้วยการไลฟ a ความมาความให้คนคามอ่านในฝันม็จง นนมันเจ็มันเจ็บเหมือนจงอหลังจากหลังถุยอย่าให้ฝนทีมาเข่คได้ไม่หลมามัวนี่จไหได้ไหมัมนก็ยไงเขาบอกว่าค่ามีะ จ, จะจบฝนทีมาข่ได้สี่ไหนยนที่ยงเลยเที่ยงเลยสองยันสองอาไรตั้มว เมื่อไม่มีกระจกคุณจะมาบอกทังที่ไหนค็ถึงว่าจุดนี้ไม่ีกระจกเราต้องมันสวดมันเพื่ออยาให้คุณมาบอกอะไรตงัว่าเมือมีกระจกคุณจะมาบก่ไอถึงวันที่จุดอ์สัะนุยกสังฆลอดมาดูแลทำโจ๊กสองวันจุดที่หอ ผมว่าใครไม่จังตรนี้ถามันจังที่เราเจอลูกคืออยู่เมือไงเจ้าใเราวัดค่างชาติเองไม่ับเาะนั่นหลมนแค่นั้นโอไอ้ยันอแล้วหลันรไม่ใช่กันปวันไปได้สิ่งนี้คงายยงนง เข้าเน่าอยู่ทุกวันเลยเขาทำยิ้แต่ทำไว่ากคยิคือเป็นาตังต้งๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยตนนันเราก็จะทำมาทำไม่เลยทำที่แบมาทำนในใ ท, าทำไมใจตัวเองทำที่อยางทำแทำไม่ใจอยู่ ไม่ดีอะไรจะเกิดมาต้องใจคุ้มใจคุ้มใจทุกอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรจะเกิดไม่เป็นไรทุกสิ่งไม่เป็นไรทุ ทางด้านนี้จะมีการฟังก์ก์นี้นกตั้ไปเลยเพือะควบมุยาลยอ้าทีความเสี่ยงก